ขอความสุขความเจริญจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอุปเนยยศสูตรคือเป็นพระสูตรที่ประลกคติชีวิตหากาท่านผู้ฟังลองมองย้อนถึงคาถามหาบังสกุล ที่พระใช้บังสกุลศพในการสวดอภิธรรมบ้างในการบังสกุลบ้างตลอดถึงการชักผ้าบนเมนเป็นต้นบ้างเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลายครั้งและการต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้านิพพาน เจาสกเทวราชก็ได้กล่าวคาถาบทนี้เกิดเป็นการแสดงถึงสภาวะของชีวิตซึ่งเป็นกฎธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็สอนให้ใช้ชีวิตตามแนวของมรรคสัจประก็แสดงว่าเป็นการพูดถึงหลักธรรมสองข้อคือทุกขสั์กับมรรคสัจ ซึ่งแน่นอนส่วนทุกนั้นเป็นผลเพราะว่าคนมันเกิดมาแล้วแต่มักันเป็นเหตุเพราะว่าเราสามารถลงมือประพฤติปฏิบัติตนไปตามหลักอริยมรักได้ตอนก็ความในตอนนั้นก็รับสั่งว่าสังขารทั้งหลายไม่เชืงหนอนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปนี่ก็เป็นอาการของทุกข์สัตว์น ะ, ะซึ่งเรานำไปเอาเอ า, เอามาวัดความเป็นทุกข์ในใจลักเข้ามาจับมันก็จะเห็นอย่างนั้นหรือเจ้าหลักอนิจจังหรื อ, อนิจจตาเข้ามาจับมันก็เป็นอย่างนั้น หลักของอนัตตาเข้ามาจับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าต้องการจะสะท้อนในแง่มุมใดอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเทวดาประรบถึงหลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับสวรรค์พุเจ้าทรงอนุมโมทนารับรองแต่ทรงเน้นไปที่ า ก, าการบรรลุมรคผุนิพานเพราะว่าการมาเกิดในสวรรค์นั้นก็คือยังอยู่ในกฎเดิมนะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปท่านพูดแบบทียิบว่าอุปาดาทิติพังคะอุปาดาก็คือเกิดขึ้นทิติก็คือตั้งอยู่พังคะก็คือดับไปเราถ้าเรามองถึงความคิดทางด้านศาสนาในโลกเนี่ย เป็นศาสนาที่มีพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือศาสนาพราหมณ์เมื่อก็พูดถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในรูปที่เป็นรูปธรรมคือเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระพรห์เป็นผู้สร้างก็คือเกิดขึ้นพระศิวะพระวิชนุเป็นผู้รักษาก็คือตั้งอยู่ สิวะก็คือผู้ทำลายก็คือดับไปกลายเป็นอุปาดาทิฏฐิพังคะซึ่งมันครุมสิ่งทั้งหลายในโลกเอาไว้หมายความว่าถ้าเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งมันเป็นอย่างนั้นแหละจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามกลางๆ ก, ก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม่เราเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป และที่จริงเราก็สัมผัสอยู่ทุกขณะก็ปีนี้บรรยายวิชาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นนักศึกษาบรรญายเอกก็มีอาจารย์บรรยายสองรูปแต่ตัมานั้นเป็นการบรรยายสรุป เวลาออกข้สอบเราก็ออกให้นักศึกษานั่งสมาธิและดูจิตตัวเองว่านในขณะนั้นน่ยมีองค์ธรรมะอะไรปรากฏขึ้นในจิตแล้วก็ว ก, กิเลสมีชื่ออย่างไงบ้างที่สงบลงไปแล้วผลดีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบแล้ว ก, วก็ความทุกข์อะไรบ้างที่บรรลุลงไป หรือมองจากโครงสร้างยศ์ีนะซึ่งก็ต้องรอาการตอบมาเพื่อหมายความว่าก็เสิอไม่คิดเือไม่มองให้ดูจิตเพราะตามปกติแล้วเรามององค์ทำเป็นข้อข้อนะเราไม่มององค์ทำเป็นกระบวนการซึ่งในที่นี้ก็แสดงให้เห็นเป็นกระบวนการ อย่างที่ทางพระพุทธเจ้าทั้งเทวดานี่ก็กล่าวเหมือนกันว่าชีวิตเกือยอายุนั้นมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยๆเมื่อบุคคลถูกชะลาตอนเข้าไปแล้วยอมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยในมรณะ พึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันตินั้นพระพุทธเจ้าว่าแต่ว่าเทวดาว่านะกขอว่าให้พยายามทำบุญซึ่งนำสุขมาให้เออประเด็นเหล่านี้ท่านจะอธิบายนะครับพระอัตฉริาจารย์จะนำอธิบายเพราะคือชีวิตเนี่ยมันย่อมสิ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดับไปหรือว่า มันเดินทางเข้าหาความตายอยู่ทุกขณะในสมัยโบราณเนี่ยท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคเข้าไปสู่ที่หากินดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าเราเทียบสมัยปัจจุบันเนี่ยมันดูน่ากลัวกว่าแต่ชีวิตที่จริงเหมือนกับรถที่เขาบรรทุกสัตว์เพื่อจะนำไปส่งโรงฆ่าสัตว์ สัตว์เองมันไม่รู้ว่ามันกล้จะตายมันทะเลาะมันชนกันมันจิกกันนะมันต่อสู้กันแต่บางตัวก็สนุกสนานรื่นเองๆกันไปได้ลืมไปว่าทุกครั้งที่ล้อมันหมุนเนี่ยชีวิตมันใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะ แล้วบางที <Sow S 1> ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ตายเกลื่อนกันอยู่ริมถนนเกิดแสดงว่า ท, ทั้งที่ตั้งใจใจไปให้ถึงโรงคัดสัตว์เพื่อจะถูกฆ่านั่นแหละแต่บางทีมันก็ไปไม่ถึงคือตายซะกว่าเพราะความประมาทของคนขับเพราะความบกพร่องของรถหรือเพราะหัววิบากกรรมของสัตว์เหล่านั้นก็ตามแหละแต่สรุปว่าชีวิตมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา เวอรเจรานี่นก็ต้อนไปสู่สำนักของความตายในขณะที่ความป่วยเนี่ยความเจ็บก็แงเร้นอยู่กับความตายแต่พร้อมที่จะปรากฏเียบเรียงท่านเรียกว่าชีวิตตินซีอินซีคือความมีชีวิตเนี่ยคือเล็กน้อยเพราะมันเป็นขนา และในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็เทียบเคียงแต่เนเทียบเคียงอายุมนุษย์กับสัตว์บางชนิดเนี่ยสัตว์บางชนิดตัว ย, ยืนยืนเป็นระอยเทียบสัตว์เหล่านั้นกับเทวดาเทียบเทวดากับเทวดาสูงกันไปเรื่อยมันก็ตกลงว่าไม่มีใครมีอายุมากหรอกมันมีคนที่มากกว่าเผลก็ น้อยไปตามลําดับน้อยลงมาตามลําดับหรือมากขึ้นไปตามลําดับแต่ที่ว่ามากเนี่ยเพราะว่ามีสิ่งที่น้อยกว่าคล้ายๆกับเราพูดถึงสูงต่ำไอ้ที่จริงสูงต่ํา ม, มันไม่เมีเพียงแต่ว่าเราเอาอะไรไปจับคู่กับอะไรสิ่งที่สูงเมื่อจับคู่กับสิ่งนั้นก็อาจจะไปต่ํามเมื่อจับคู่กับสิ่งที่สูงกว่า เรอายุของสัตว์ทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างที่เคยเล่าประวัติของอุบาสิกาชื่อว่าปฏิปูจิกาชาวกรุงราชครึกเติรตายจากสํานักของมาลาภารีเทพบุตรก่อจุติในขณะมาลาภารีเทพบุตรเที่ยวชมอุทยานเป็นการตายเร็วแล้วเกิดเกิดปั๊บเลยก็ระลึกชาติได้ แต่ลึกได้ชัดเดียวจิตใจก็ไปหน่วงเหนี่ยวที่จะไปเกิดในสำนักของมาลาภาริเตปบุตรต่อไปทำบุญให้ฐานรักษาสิ่งังธรรมทั้งหมดไม่ปรารถนาอย่างอื่นเลยขอปรารถนาให้เกิดไปอยู่ในสำนักของมาลาภาริเตปบุตรท่านครองเรือนมีลูกมีหลานอายุหกสิบกว่าก็ตายก็ปรากฏว่ า, ว า, วา โลกสวรรค์นเนี่ยมาลาภาิ์เทพบุตรยังไม่ได้กลับจากกุทยานเลยก็าหาันไปเห็นนางเทพธิดาแต่ก็สงสัยว่าตะกี้เนี่ยหายไปไหนกี่สักครู่หนึ่งเนี่ยครู่ก่อนหน้านี้เธอหายไปไหนเป็นเรื่องครู่เดียวแล้วเธอก็บอกว่าไปเกิดถามว่าเกิดที่ไหนเกิดในโลกมนุษย์เอ๊ะทำไมกลับมาได้เร็ว อายุมนุษย์สั้นทีก็บอกว่าสั้นมากเี๋ถามว่ามนุษย์ที่ใช่อายุซึ่งมันแสนสั้นเนี่ยไปยังไงอ่ะไปด้วยความไม่ประมาทหรือเปล่าอาจารย์ปุตปฏิปุชิกาก็บอกว่าเรามนุษย์ไปคิดว่าตัวเองอายุจะยั่งยืนคกล้ๆกันอยู่คำฝาใช้เวลาสุริสุราฟุ่งเฟืออ่อยสูญเสีย ผ่านการเวลาไปแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเนี่ยหรือถ้าเราเราเราลองวัดดูว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยที่เราทำงานเราจดเอาไว้ทำงานอะไรก็ตามหรือแม้แต่ว่าวายพระสวดมนต์จะเริยนสมาธิอะไรก็ไม่รู้แหละสรุปว่าทำความดีก็แล้วกันกับเวลาอย่างอื่นเนี่ยเวล า, อ, าอื่นจะมากกว่า นั่นคือความจริงของของชาวโลกที่จะมัวเพลิดเพลินเรียกว่ามัวเพลินเก็บพวงดอกไม้ของมานคือพยายามดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาวัตถุต่างๆมาสนองตอบความปรารถนาของตนก็วิ่งไล่ความอยากไปเรื่อยๆเพรู้เจ้าจึงทรงแสดงสภาพจิตนะฮะว่า สัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาผลความเต็มความอิ่มความพอการหยุดเนี่ยมันไม่มีสหรับมนุษย์แต่มันก็จะอยากไปได้เรื่อยๆแล้วบุคคลตายไปทั้งๆที่ยังไม่หายอยากเปลานก็เกิดต่อทีนี้บู้าได้รับสั่งแสดงว่า พิสูจทั้งหลายบุคคลใดเป็นอยู่นานบุคคลนั้นก็พึงเป็นอยู่ร้อยปีหรือต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็เพียงเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามอายุร้อยปีหรือแม้แต่เกินกว่าร้อปีแล้วก็ถือว่าน้อยอยู่นั่นเองเพราะว่าท่านนิยามคําว่าชีวิตเนี่ย คือความเสื่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นเป็นสัญลรณอวิชรก็เรียกเป็นรถนะฮะมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นรถคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ชัดเจนมากว่าเราก็เสื่อมอยู่ทุกวันที่นี่พอกล่าวโดยโดยปรมามัติคือความจริงที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเนี่ยชีวิตคนศาสตร์ทัางหลายนี่น้อย เกิดจากแต่ว่าเป็นไปเพียงจิตดวงเดียวเท่านั้นเองท่านยังเรียกว่าอุปาทานิติพังคะดังกล่าวคือเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปที่ชื่อว่าน้อยเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นของที่เป็นไปด้วยขณะอุปมาด้วยล้อรถเมื่อมันหมุนไปก็ย่อมหมุนไปด้วยส่วนแห่งรถเท่านั้นเมเมื่อหยุดก็ หยุดส่วนแห่งแห่งกงรถนั่นแหละชีวิต ท, ทั้งหลายก็จะเป็นไปในขนาดจิตก็กลายเป็นเรื่องของความเกิดดับเกิดดับอธิบายในแนวของปรัชญาธรรมกิเราเห็นว่าที่เราสัมผัสมันเป็นวินาทีถ้าทำอะไรก็รีบทำถ้าทำไม่ได้มันเป็นอดีตไปละเพราะปัจจุบันจริงๆมันเป็นวินาที สั้นมากมากเออสมมติว่าเราตั้งใจจะทำงานตอนสัก3าโมงเชา้าอ่ะพอาโมงหนึ่งนาะทีเราก็ทำไม่ได้แล้วไอ้ตอนสามโมงเชา้าก็เวลามันผ่านไปแล้วแล้วชีวิตจึงมีเสื่อมไปสิ้นไปแล้วก็หมดไป ในขณะเดียวกันก็นำพาชีวิตเราให้แก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ด้วยบรรกอมีลูกศิษย์ที่สตรีวิทยาไปสอนเด็กที่สตรีวิทยามานานนะครับสามสี่ปีปพลผลลูกศิษย์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นแรกๆเขาก็อายุตั้งห้าสิบกว่าแล้วบางคน ก็มากับแม่เขามาถวายของวันเกิดแม่เขาคุยไปคุณมาปรากฏว่าลูกอายุย9บ้าแม่ห9เนี่เราก็ดูเขาเด็กอยู่ไม่กี่วันเองเราก็ถามไ้เห็นว่าความแก่นี่มันไม่ยอมนิ่งก็มันมันขับเคลื่อนชีวิตเข้าไปสู่ความตายอยู่ทุกขณะ พันท่านจึงอธิบายไ้ว่าในขณะแห่งจิตอันเป็นอดีตเนี่ยบุคคลชื่อว่าเป็นอยู่แล้วไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่จักเป็นอยู่อันนี้ท่างฟังรองสังเกตนะคือคือการพูดถึงการในภาษาบาลีเนี่ยหรือแม้แต่เราเขียนหนังสือเราเขียนหนังสืออย่างเราเราฟังข่าวต่างๆทา ง, างวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ย คือคือขาจะใช้ใช้ออดีตการเป็นปัจจุบันเป็นเป็นอนาคตจะมีเยอะมากจ ะ, างงจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างโน้นทั้งทางที่มันเป็นแล้วเพราะนั้นถ้าอดีตเนี่ยเขาพูดแล้วยินข้าวแล้วกําลังกินข้าวหรือจะกินข้าวคำทั้งสามคำนี้มันต่างกัน เราจะเห็นอีเดียบทของคนต่างกันกินข้าวแล้วก็คือเสร็จเรื่องกินข้าวไปแล้วกำลังกินก็แสดงว่าคนนี้กําลังกินข้าวอยู่จะ ก, กินแต่ยังไม่ได้กินเดีวต่อไปเนี่ยเขาก็กินเพราะฉะนั้นชีวิตเราอะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่จักเป็นหรือว่าเป็นแล้วแต่มันกำลังเป็น ทีนี้ถ้าเป็นอดีตมันก็คือเป็นแล้วไม่ใช่กำลังเป็นหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นอนาคตมันก็เรียกว่าจักเป็นไม่ใช่เป็นแล้วหรือว่ากำลังเป็นฟังค่อนข้างยากแต่ท่านฟังลองสังเกตลองสังเกตว่าจริงจริงในชีวิตเป็นอย่างไงอาติตะแปลว่าเป็นไปแล้วแปลว่าล่วงไปแล้วแปลว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไปเลย ซึ่งถ้าเราใช้ก็เป็ น, นมันได้ประโยชน์ถึงฟังลองสังเกตว่าสมมุติว่าคนด่าเราเนี่ยคําด่ามันจบไปแล้วนะเวลาที่ด่าก็ผ่านไปแล้วความโกรธที่เป็นให้เป็นเหตุให้ดา่ามันก็ดับไปแล้วแต่ยังอยู่ ม, มันก็เป็นความโกรธใหม่เป็นอาการเลื่อนไหลของความโกรธ เดีควเป็นเหตุให้ด่านั้นก็ทําหน้าที่ด่าไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วแล้วทําไมเราต้องไปแบกเราต้องไปแบก ว, ว, วันนั้นสองแม่ลูกที่ว่าเนี่ยพอฉันเสร็จก็คุยธรรมะกันหน่อยคือเขาบอกว่าตอนเขาเข้าวัดฟังเทศอรรมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจ ว่าที่มาพูดว่าโลกเนี่ยเขามีไว้สาหรับเหยียบไม่ได้มีไว้สมหรับยึดเก็บอกเค้าไม่เข้าใจคิดยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ยอมถามแต่เพิ่งเข้าใจเมื่อชีวิตมันประสบกับปัญหาการพลดัดพลากสูญเสียอะไรบ่อยๆก็เริ่มได้คิดและเวลานี้เข้าใจแล้ว เพนะราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราไม่ไม่ใช้โลกในฐานะที่มันเป็นโลกคือเป็นที่อาศัยเหยียบเป็นที่อาศัยอ ย, ยู่เท่านั้นเองแต่เราใช้เป็นที่อาศัยยึดเพราะยึดมันก็ยากมันก็ยุ่งอะไรก็ติดตามมามากมายไกลก่อนทางที่ชีวิตเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้โลกเองก็เกิดดับเกิดดับนะแต่ว่าช่วงจงวังหวะมัน ดูยากหน่อยแต่ น, นั้นเองแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็แตกแบบเพราะนั้นพระเจ้าจึงทรงอธิบายไว้ในตอนหนึ่งว่าชีวิตตังอตภาโวจะสุขะลุค่าจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโสวัตติขนกนี่คือปรมัตินะฮะคือสัจจะของชีวิตจริงๆเลย ตอนใจยอมรับได้หรือไม่ได้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านั้นคือความจริงคือชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งหมดเนี่ย ม, มันประกอบที่จิตดวงเดียวจิตไปรู้สึกก็สุขก็ขสุขอยู่รู้สุขรู้สึกว่าทุกข์ก็ทุก ข, ข, ข์รู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรามันก็เป็นอย่างที่จิตคิดก็คิดหลอกตัวเอง มันก่อนฟังอะไรเป็นเป็นพวกนั้น่ะมันดูดูข่าวแล้วเขาเาแถมอะไรเนี่ยคือยกตัวอย่างเอเขาก็บอกว่าถ้ามีเงินมากๆเนี่ยก็จะซื้อรถบ m เอมซื้อรถ b บนก่อนมาสักส0คันมาสักยี่สิคันซื้อรถบ m w อมมาสัก2ี่สคันเสร็จแล้วเผาชิ้งให้เกลี้ยงเออผู้ชายก็ถามอ้าแล้วไม่เสียดายน้องรถอะ ก็เสียดายอะไรพี่เพราะมันเพียงเพียงความคิดแต่นั่นเองก็จะคิดนะฮะก็จะคิดว่าจริงๆเนี่ยเราไปคิดเอาเองมันเป็นของเราแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับความฝันหรือความคิดพอเราตายปั๊บมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วใครรับไปเขาก็รู้สึกของเราพอเขาตายปั๊บก็ไม่ใช่ของเขาอีกอะ่ะเพราะนั้นบางบางครั้งบางคราว เราเรามามองที่ดูถึงคำพูดคล้ายๆพูดเล่นนะแต่ก็พูดจริงไม่ใช่ความจริง ก, รรรก็มีการประรบถึงปัญหาน้ำท่วมตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็หาเรือไฟเบอร์กลาเนี่ยไปแจกแจกตามวัดต่างๆแต่ว่า ให้เขามารับที่จังหวัดนะฮะไปะแจกที่เจ้ณะจังหวัดก็สรุปแล้วว่าก็ได้จังหวัดละยี่สิบก้ายีบก้าลำแต่คงจะมีการบริจาคเพิ่มเติมนะฮะคงจะนำไปช่วยถือนต่อไปแต่มาว่ามันเป็นการแก้ปัญหาในลักษณะเก่าเวลาคันที่เราแก้ปัญหาแนวนี้กันอยู่เยอะ แล้วก็บอกขยงฟังว่าเหมือนก็พูดเล่นแต่พูดจริงบอกว่าการที่น้ําท่วมเนี่ยเพราะน้ํำมันสูงกว่าพื้นบ้านการที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยคือพื้นบ้านมันสูงกว่าน้ำข้าท่นนั้นเองทีนี้ทํำยังไงล่ะหมายความว่าไอ้คลองแม่น้ําบึงอะไรเนี่ย ถ้าเขากว้างด้วยลึกด้วยและเขาจะเก็บน้ำไปได้เยอะเพราเมื่อน้ำไปอยู่ตรงนั้นมากบางก็ล้นมาน้อยมันก็ไม่ท่วมจะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมองว่าการปลูกบ้านในบริเวณที่ราบลุ่มต้องยอมรับความจริงว่าเราหนีไม่พ้นอกน้ำท่วม แต่บอดีก็มีข่าวที่นักข่าวก็ไปถ่ายภาพบ้านผู้หญิงคนหนึ่งพื้นที่ประมาณสักสิบไร่อะไรตอนตรเนี้ยนะเป็นสวนแต่ว่ามันเหมือนกับบึงขนาดใหญ่แล้วแกก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาพื้นที่ตรงเนี้ยแกปลูกผักได้ปีหนึ่งก็หเดือนเก็บเกี่ยวได้สามครั้งแล้วอยู่หเดือน ถ้าน้ำไม่ท่วมก็อยู่ได้ถ้าน้ำท่วมมันก็จบก็ยังนึกว่าเออเรื่องขนาดนี้เนี่ยที่จริงมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องสลสับซับซ้อนพระเทศของเขาเองก็คือพื้นที่เท่านั้นเราคงไม่สามารถจะถุมไม่ที่ลุ่มขนาดนั้นได้เพราะว่าฐานะมันก็คงจะไม่ร่ํารวยอะไรชาวสวนธรรมดา แต่ถ้าเรายกเป็นคันดินให้รอบและริมตรงนั้นแหละริมขอบมันก็กลายเป็นร่องน้ำในยามทั่วไปก็เก็บน mm ้ำไว้สมาปลดรถผักฝนตกลงมาเราก็มีเครื่องสูบน้ำออกก็ก็ได้ น้ำมันก็ล้อมรอบอยู่เป็นขั้นดินนั้นวิธีนี้ที่จริงมันเป็นวิธีธรรมชาติทั้งหมดเราเสียเวลาไปนั่งอ่านตำนาของพลังอยู่เยอะแยะนั่นเป็นการคิดแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เราหลอนสังเกตว่าจริงมันคือธรรมชาติชีวิตเป็นอย่างนั้นเองชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นที่จิตดวงเดียวถ้าสุขก็รีบสุขมันดับแล้ว รีทุกก็รีบดับทุกเพราะว่ามันมันมันจะเกิดต่อเป็นเป็นกระบวนการไปท่นบอกขณะของจิตนั้นเป็นไปเร็วด้วยกันสุกเร็วทุกเร็วนะฮะก็วิธีฝึกคือทํำยังไงว่ารักษาจิตที่ให้มันเกิดต่อเนื่องในการที่ขณะจิตดับเร็วเนี่ยทําให้เราเห็นเวเนี่ยเรามีคําพูดที่แพร่หลายว่าคนเนี้ยสมาธิสั้น นั่นไม่ใช่เป็นสมาธิที่เกิดดับไม่ต่อเนื่องแต่นั่นเองคือคือตามปกติมันเกิดดับนั่นแหละแต่ถ้าต่อเนื่องมันก็ยาวย Piet. นะสติมันเกิดดับแต่ว่าต่ อ, <realizing this Creator> eh? อเนื่องมันก็ยาวมันไม่มีอะไรหรอกที่ที่ที่ไม่ดับน่ะเพียงแต่ว <ucc> so ่ามันเกิดต่อเนื่องกันไปเรือเราเราก็ดูเป็นยาวทีนี้มีข้อหนึ่งที่ส่งแสดงว่า จิตสัตว์เหล่าใดของสัตว์ที่กำลังดำรงอยู่หรือกำลังตายแตกดับไปแล้วในปฏิการคือหมายความว่าจิต ท, ที่ดับไปในอดีตจิตเหล่านั้นทั้งหมดก็หาได้กลับมาเกิดใหม่มาเกิดอีกไหม คืออันนี้คือคือสิ่งที่ที่เราแตกต่างแตกต่างจากศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี่ถือว่าจิตดวเดิมนั่นแหละมันไม่ได้เกิดดับไปไหนแต่ว่ามันจะมาเกิดอีกเพราะการตายตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ก็เหมือนกับคนเหมือนกับงูลอกคลาบแล้วก็เหมือนกับว่า ไอ้เสื้อเก่ามันขาดเราก็เปลี่ยนเสื้อใหม่แต่ในพระพุทธศาสนานี้ถือว่าจิตมันเกิดดับเป็นขนาดขนาขนาดไปทีนี้ไอ้ก่อนที่จะดับก่อนที่จะดับที่เรียกว่าจุติแล้วไปสนชีเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือก่อนที่จะบรรลุหรือจะตกนรกเนี่ยจิตมันเป็นกุศลหรืออกุศล มันก็เป็นเหตุให้เกิดสวรสวรค์เกิดในนรกบรรลุมรรคผลหรือว่าไม่บรรลุก็ก็เป็นเรื่องกองเรื่องคณะตอนนี้พูดได้ฝังยากอ่านะพอเราดูแล้วก็ค่คกะกับจิตเรามามาอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไปเจริญสมาธิเราดูที่จิตเราจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนดับเปลี่ยนดับแต่ว่ามันภาษาที่เราจะสื่อเนี่ย คือคนไทยเรามีลักษณะนามภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะนามพอพู้ถึงจิตก็พูดเป็นงดวงดวงดว่าทำให้เกิดสงสัยว่าทาไมมันเยอะมากมากกายก่อนแล้วก็บอกว่าแม่ขันทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคือหมายความว่าร่างกายเขาเนี่ยร่างกายคนนายกนายคอนายคอเนี่ย ตามลัทธิสัจสตทิฏฐิถือว่านายกตายจากนายกก็จะเกิดเป็นนายกต่อไปรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีความเปลี่ยนแปลงนี่คือความเห็นว่าเชื่องแท้แน่นอนยังยืดไม่แปรผันแต่ของเรานั้นเป็นการพูดถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยก็แสดงว่าเพราะจิตไม่เกิด สัตว์โลกก็ชื่อว่าไม่เกิดพระจิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าสัตว์โลกก็ชื่อว่าเป็นอยู่เพราะความแตกดับแห่งจิตสัตว์โลกจึงชื่อว่าตายตายแล้วนะฮะนี้เป็นบัญญัติที่เนื่องด้วยปรมัดก็ทำให้เราเราเราเห็นว่าเราเข้าไปถึงปรมัด ต, ตรงนี้ก็ช่างเถิะแต่ว่าทาให้เห็นว่าชีวิตที่ทมันจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ย มันเกิดโดยไม่ดับเราก็จบแล้วจะทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยใช้ไปโดยไม่ประมาทเพิ่มชระแก่สารในแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้นดันั้นท่านจะอธิบายต่อไปว่าเมื่อบุคคลเข้าถึงชราแล้วหรือเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปสู่สำนักแห่งความตายเนี่ยไม่มีใครป้งกันได้ไม่มีคำว่า ป้องคุ้มครองรักษาหรือป้องกันให้เป็นที่ปลอดภัยวะคุณคุณปลอดภัยนะคุณไม่เป็นไรนะคุณไม่ตายนะมันไม่สามารถจะคุ้มกันได้ตายคือตายเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเมื่อรับสั่งวันนิพานคือนิพพานเลยประนบอ้อนวรขอร้องด้วยวิธีการต่างๆมันก็หยุดไม่ได้อะ เมื่อก็เล่าถึงพระเมศสีของกษัตริย์องค์หนึ่งที่บาปกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดคอแพะแล้วตัวเองถูกฆ่าตายอยู่ร้อยชาติเนี่ยและชาติสุดท้ายนี่ท่านอนึกชาติได้ท่านก็นเล่ากษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งกําลังจะฆ่ามาจับกษัตริย์มาตั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองมาเพื่อมาเพื่อจะฆ่านี่ท่านเล่าท่านเล่าด้วยความสงสารว่าฉันเนี่ย ตัดศีรษะแพ้ตัวเดียวนะแล้วก็ถูกตัดศีรษะในพวกชาติต่างๆถึงร้อชาติแล้วคุณมาฆ่าขนาดกระสัตรตั้งร้อยเอ็ดองค์เนี่ยเมื่อไรคุณจะพ้นทุกข์ล่ะคุณจะสุขตัดศีรษะกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนครั้งในพวกชาติต่างๆที่ร้องไห้ในชั่วครัวตายจะดีใจเพราะว่าปีนี้ฉังก็ต้องชดใชกรรมเลยวันนี้ยันตายละ แต่ว่ากรรมทด่ฉันทำจากการตัดคอแพะมันจะหมดแต่คุณเริ่มจะชดชายกรรมเริ่มสร้างกรรมและกลังจะต้องชดใช้กรรมอีกนานแสนนานจึงรู้สึกร้องไห้ด้วยความสงสารต่อคุณไม่ใช่ร้องไห้เพราะกลัวตายกษัตริย์องค์นี้เข้าใจแล้วกันในที่สุดก็บอกว่าจะปกป้องแต่บอกปกป้องอะไรก็ปกป้องไม่ได้นะแต่ถึงเวลาแกก็ตายแล้แกก็ตายจริง ที่ก็ภัยของชีวิตเนี่ยในที่นี้ก็มีสามอย่างคือการเข้าถึงความตายแห่งอินทรีย์คือชีวิตการที่อินทรีย์คือชีวิตมีอายุน้อยและการที่ไม่มีอะไรป้องกันชีวิตจากความแก่ความเจ็บความตายนะเพราะงั้นก็เรียกว่าเป็นภัย คือภายในี้ยิ่งมีเยอะพูดไปเยอะก็แล้วแต่วจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาพูดเพราะอะไรก็ต่างมันกระทบกระเทือนต่อสวัติภาพของชีวิตมันก็เป็นภัยแดียกันท่านั้นบาลีที่ท่านเทวดาใช้เนี่ยก็บอกว่าบุญญาณิกริยาตะสุขข้าวหานิให้บินยูชนทำบุญทั้งหลายที่นำสุขมาให้เพราะว่า ที่ชื่อว่าความสุขในความหมายของเทวดานี่เป็นการทําบุญที่ประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์สามช่วงมุจนจนาเจตนาก่อนทำนะฮะที่จริงเรามักจะใช้เรื่องการให้ทานแต่ว่าอะไรก็ได้ก่อนทำเนี่ยมันเกิดกุศ ล, ลเจตนาขณะทำก็รักษากุศ ล, ลเจตนาแล้วทาหรือกุศ ล, ลเจตนาหลังจากทาไปแล้ว ก็เรียกอัปปราปราจิตนาก็มีความปีติปราโมชชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตัวเองกระทำนึกขึ้นมาเมื่อไหรก็สบายใจมีปีติปราโมชมันก็เป็นบุญเพราะงั้นในเรื่องตรงนี้จึงเป็นถือว่าเป็นหลักการที่ย้ำเตือนให้บุคคลทั้งหลายได้คิดว่าชีวิตของเราเนี่มันสั้นด้เกินสั้นออกมากๆ ก็นิดหน่อยหรือเล็กน้อยเราจรึงเรียกความตายบางระดับนะฮะไม่ใช่ทุกระดับว่าเป็นมัจจุมานมันคือความตายที่มาหักกรานตัดรอนทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งกำลังทำดีอะไรอยู่แล้วมันมันมาตัดชีวิตซะก่อน ว่าด้วยพาราหมณ์ผ้แห่งบุญเนี่ยมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่มัจจุมาหมาตัดรอนชีวิตท่านไม่ได้เขาเรียกว่าปัจชิมะพวิกษัตริย์หมายความว่าคนคนนี้เกิดมาเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะบรปปรลุมรรคผลสอนส่วนบนรรลุแล้วจะอยู่กี่วันนั้นเป็นรายละเอียดละแต่ว่าตราบใดที่ท่านยังไม่บรปปรลุมรรคผลเนี่ยใครจะทําให้ท่านตายไม่ได้ไม่แสดงถึงอะไรอันแสดงถึงว่า อนุภาพแ่งบุญเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะทาลายพวกไอธรรมชาติกฎธรรมชาติต่างลงไปได้กฎธรรมชาติคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันทำลายกฎเลยไม่ต้องเกิดแล้วก็เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีอะไรให้แก่ให้เจ็บให้ตายก็จบนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในการ ที่คนถูกพัดหมุนอยู่ในสังสารวัติเนี่ยมันเป็นกฎแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าไอ้กรรมเนี่ยมันมันเราจะลดความรุนแรงของกฎได้แต่กฎเนี่เราทิ้งมันไม่ได้เพราะงั้นก็สอนนั้นทำกรรมที่ดีเอาแหละมันก็อายุมันก็สั้นแต่ถ้าภูมิจิตคุณสูงพบจิตคุณุบัติจะสูงอายุคุณจะยืน อายุวันโนสุ ข, ขังพลังเนี่ยอายุมันยืนเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคุณเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกาใจาของคุณเนี่ยมันจะเป็นทิพเปิลไอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันก็จะเป็นทิพทีนี้คุณก็อยู่ในทิพยาภาวะอายุมันก็ยืนอายุกันเทวดาก็ยืนยืดนานแสนนา น, น, านอย่างนานมาแล้วเถิดเราฟัง พระโมคคัลลานะท่านไปเยี่ยมสัตว์โรคบ้างไปสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างแล้วก็สัมภาษณ์ถึงการกระทาของท่านเหล่านั้นที่เป็นเหตุให้มาบังเกิดในสูงสวรรค์เนี่ยพอท่านไปในที่จริงเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าตอนพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราจตุนิจุติมาจากดุสิตนะฮะ ก็ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเออเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไม่บบาว่าอายุเขาเนี่ยพอก็เห็นพรภิกษุเอ๊ะนี่มีรพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกแล้วเหลยแล้วเขาก็บอกต่างก็เล่าไปฟังเออศาสดาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เล่าไปฟังอ๋อนี่ก็ไปเกิดแล้วเหรอเป็นเพื่อนกันเคยอยู่ที่นี่เองนะสนิสนมกันเคยกัน ทางทังที่จริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเทวดาชั้นดุสิตซึ่งขึ้นเป็นชั้นที่สมชั้นที่สี่นะฮะชั้นที่สี่นนี้ก็อยู่ชั้นที่สองมันแสดงอายุวุญญาณยืนจังยืนนานแต่ว่ามันก็สั้นกว่าเทวดาชั้นต่างๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือมันมันมันขึ้นเป็นทวีคูณเช่น ประมาณร้อยปีในเมืองมนุษย์ถ้ากวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวบดึงเนี่ยแต่ทีนี้พอมาถึงสวรรค์ชั้นดุสิตเดียวมันมันมันเพิ่มขึ้นอีกตั้งสองเท่าตัวพอมาเทียบกับโลกมนุษย์โอ้มันนานได้เกินแต่ก็จริงแล้วเนี่ยเราจะพบว่า เทวดาเขามองเขามองเทวดาตัวนี้ติดยังไม่ใช่เทวดาทั่วไปเป็นพรหมอังนั้นท่านมองว่าตัวท่านเที่ยงตัวท่านเที่ยงแล้วก็ถือว่าการเป็นพรหมเนี่เป็นเป็นบรมสุขตามที่เคยพูดเรื่องพระกับพรหมอังตอ น, นท่านก็ชวนคนไปไปเป็นพรหมอย่างที่ท่านเป็นโดยหวังว่าจะได้ความสุขจากการเป็นพรม้ม แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพรหมก็เป็นผลของของรูปฌานหรืออรูปฌานแต่ว่าเทวดาตัวนี้เป็นเป็นเป็นรูปฌานนะฮะบรรลุรูปฌานท่านก็บอกอายุแต่ว่าแหมมันก็นับไม่ไหวเหมือนกันนะ่ะหึ่งกับบ้างสี่กับบ้างแปดกับบ้างสิบกกับบ้างนะฮะตลอดถึงหกสิบสี่กับ ทีนี้พระพร พ, พ, พ, พ, พท่านเกิดเป็นพรหมที่มีอายุยืนนานเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าโลกมันเที่ยงคือพรหมเนี่ยเป็นภาวะที่เที่ยงไอเนี่ยคือนำไปสู่สัตตะทิฐิมันเป็นประสบการณ์ตรงที่ท่านมองเห็นไม่ตลอดสายท่านก็ไม่โกหกหรอก ท่านเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าท่านไม่มียานอย่างรู้ไปเทียบเคียงอะไรกับใครยังไงที่ไหนเนี่ยคือไม่ได้ไปเทียบเคียงแต่พอมาถึงพระเจ้าพรุทธเจ้าก็เห็นว่ามันเป็นชาติทุกข์ที่แน่นอนเคยทุกข์ในสังสารวัฏก็ทุกข์จากการเกิดแล้วก็ทุกข์จากการหมุนวนในสังสารวัฏนี่ยังมีอยู่แต่แกจะตายนี่ยก็ช้าลงแหละ แต่าการเกิดกับสังสารวัตคือสังสารวัตเนี่ยมันเสี่ยงมันไม่เที่ยงอะ่ะใครอย่าไปคิดว่าเราตายแล้วจะต้องบังเกิดในสวรรค์เป็นไว้แต่คนระดับรูปฌานขึ้นไปกับพระญาบุคคลอันนี้แน่นอนแต่รูปฌานน่มันเสื่อมได้ไม่แน่ ก่อนจะตายอาจจะตกนรกก็ได้นะอย่างพระเทวทัตนะ์เนี่จริงงท่านก็ได้รูปฌานนะรูปฌานได้โลกิญญยะอภินยาห้าด้วยมีอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพมากขนาดประษาธิบุตยกย่องแต่บนนี้เ็าเรียกกุปปธรรมก็มันกํรเริบเพรา ะ, ะนันเปลี่ยนได้เปลี่ยนและเปลี่ยนแรงนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกรูปฌานเนี่ยมันคล้ายๆกับเอามือไปกดศีรษะอสรพิษไว้อะ มันดิ้นจิตใจของมนุษย์ท่านฟังลองสังเกตสังเกตพวกขันธีนะฮะขันธีจีนเนี่ยขันธีจีนคือแกรบายออกทางเพศไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ถูกตอนทีนี้โลภะก็ยังอยู่ในราคาก็ยังอยู่มันก็เปลี่ยนเป็นต้องการได้บริษัทบริวารต้องการได้อำนาจต้องการเงินทองต้องการความเป็นใหญ่ซึ่งมันก็คือโลภะนั่นแหละนั่นคือโลภะนั่นแหละ มันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ที่นึกว่าแก้ปัญหาได้แต่ว่าที่จริงมันไปสร้างปัญหาอย่างหนึ่งในการกดลุกโป่งเนี่ยคือเรากดตรงหนึ่งจริงมันก็มันก็แฟบลงอะ่ะแต่ไม่นจะป่งที่อื่นกฏมันก็โป่งกดมันก็ปง่งกดมันก็ปง่ปงแล้วก็ป่งไปเรื่อยๆกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พย า, าพยามบรรเทาพยายามลดพยายามละ และทำให้มันจางไปคลายไปบรรเทาไปเสื่อมไปสิ้นไปจนทาก็ดับไปจากหยาบา ก, กลางเอาถ้าหยาบหยาบซะก่อนเพื่อสร้างสังคมสันติให้ได้แล้วก็มาถึงกลางๆงก็เพื่อให้จิตมันอยู่ด้วยความสุขความสงบความเยือกเย็นที่จริงค่อนข้างเป็นการส่วนตัวนะฮะาระดับของสมาธิแล้วก็เป็นการส่วนตัว เป็นการเสวยสุขส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นถ้าใครต้องการสัมบัิผลก็ต้องทำเองเพราะฉะนั้นอาจจะดีไอตัวสมาธิมันก็เฉพาะคนนั้นแะแต่ว่าผลจากจิตมีสมาธิแล้วไปชี้นำจั่งสอนคนอื่นจึงจะเกื้อกูลในคนอื่นแล้วเขาก็ต้องศึกษาปฏิบัติสมาธิในตัวเขาเองแต่ผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างที่ได้เกิดขึ้นแก่อาจารย์ของเขา ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี